ในช่วที่กรรมรู้สึกยังไงความกรรมแน่นแน่นน่ะรู้สึกยังไงแล้วปล่อยไปรู้สึกยังไงเบาเช่นแต่เราเราไม่กรรมเราไม่แปกติอย่างนี้รู้สึกยังไงอย่าความรู้สึกถึงหนักถึงเบานีไยมันเป็นปรามัดมันเป็นรูปเป็นนามเท่านั้นคือหนักเป็นรูปแต่ความรู้สึกก็เป็นนามมันมีความเป็นเราของเราอยู่ตรงนี้ไหมแต่มันไม่มีนะแต่เวลาใครมา ตกมือเราปั๊บเนี่ยตกมือเราทําไรเรามันเกิดขึ้นตอนที่มันเกิดทบนั่นแหละนะความความเป็นเรามันเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่ารูปสามีภรรยาผู้เป็นที่รักมากระทบรู้สึกเป็นไงชอบใช่ไหมแต่คนที่เป็นัตูกันตกปั๊บนี่เป็นไงขึ้นปริ้เลยใช่ไหมมันจะพุ่งตรง ก, กันข้ามความเป็นเรามันก็จะมาถึงความพอใจไม่พอใจท่า น, นนี้นีจูปทาน วิชวาการหาประธานมาเกิดตรงนั้นเองตรงที่มันกระทบเท่านั้นแต่ปกติอย่างเงี้ยมันมีความชอบไม่ชอบไหมที่ว่าหนักเบาอะไรเนี่ยที่เราทําเองเนี่ยมีไหมมันไม่มีมีแต่หนักแต่เบาเท่านั้นเองความรู้สึกว่าชอบก็ไม่ชอบไม่มีแต่ถ้าหากคนอื่นมากระทบถ้าคนที่เป็นที่รักเราก็เกิด อ, อุปทานอีกแบบหนึ่งถ้าคนที่เราไม่ชอบมาตกมากระทบ ประธานก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเราเองกระทบเราเองเนี่ยพราะเราเรารู้ว่าเราเรากระทบเพื่ออะไรความพอใจไม่พอใจไม่มีใช่ไหมเพราะมันทําด้วยความรู้แต่ทีนี้เราคนอื่นกระทบก็ตามเราเองตัวกระทบเราเองก็ตามจะทําให้ความรู้สึกสองอย่างเนี่ยมันเสมอกันได้ยังไงคือไม่มีความเป็นเราเกิดขึ้นเป็นไปได้ไหม โอเคเราตบเรากระทบของเราเองมันเป็นไปได้เพราะเรารู้ใช่ไหมเรารู้ว่าเราทําของเราเองแต่คนอื่นมาทําด้วยความรู้เหมือนกันแต่มันรู้คนละอย่างมันรู้ว่าเขาตบเราแต่ถ้าเราทําเรานี่มันไม่มีเขาเข้ามาใช่ไหมมันมีแต่รู้สึกถ้าทําความรู้สึกระหว่างเรากระทบเราและเขากระทบเราให้เป็นความรู้สึกอันเดียวกัน นั้นเรียกว่าถอนอุปาทา น, น, นเวลาวเราสวดเมื่อกี้อาตาปีสติมาสัมปชาโนวินัยโลเกอภิชาโทมนะสังเมื่อมีความเพียรสร้างตัว ส, สัมปชาโนสติมาให้มีสมัญญะและมีสติรู้อยู่ว่าเรากำลังทําอะไรเมื่อนั้นจะถอนความอภิชาคือความพอใจโทมนัะความไม่พอใจเอาสองตัวนี้ออกได้ สองตัวนี้เท่านั้นะมีไม่ ม, ม, ม, ม, มีอย่างอื่นนะแค่สองตัวเพราะสองตัวเนี่ยความพอใจไม่พอใจมันก็จะไปสร้างโมหะอีกทีหนึ่งเป็นตัวที่สามขึ้นมาล้วแต่ถ้าหากอย่างมันความรู้สึกเฉยๆที่เรากระทบเราเองเความพอใจไม่มีความไม่พอใจก็มีโมหะมีไหมก็ไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวอุปทานมันเกิดขึ้นทีและขณะ ขณะขณะไหนที่เรามีตัวรู้มันก็ไม่เกิดขณะที่เรารู้ผิดไม่ใช่ไม่รู้นะรู้เหมือนกันนะเขาก็าตกวเรารู้ใช่ไหมแต่มารู้ผิดหรือรู้ถูกรู้ไม่ถูกตรงรู้ไม่ถูกนี่เองเรียกว่าอวิชชาอวิชชาไม่ใช่ไม่รู้นะแปลว่ารู้ผิดแตัวรู้ผิดคือรู้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ย ไม่ถูกต้องตามความจริงอันนี้คือวิธีการเมื่อเราไม่สร้างความพอใจไม่พอใจมันมีความคิดไหมทีนี้โยงลองกําอีกทีหนักเบาใช่ไหมตึงหย่อนเขารู้สึกหนักเบาตึงหย่อนต้องได้คิดมามถึงจะรู้ไม่ต้องได้คิดใช่ไหมแต่เขามาตบเราเนี่ยใครมาตบเนี่ยมันต้องได้คิดไหมจะหนักจะเบาก็ามแต่ความคิดต้องเกิอดอะไร เพราะความชอบามาคนอาศัยความคิดเกิดในที่นี้อยากยาถามว่าความรู้สึกพอใจไม่พอใจสร้างตัวคิดหรือตัวคิดสร้างความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจลองลองพิจารณามาถามว่าตัวพอใจไม่พอใจไปสร้างความคิดให้เกิดขึ้นหรือความคิดมาสร้างความพอใจหรือไม่พอใจสองอย่างนีอันไหนเกิดก่อน ล อ, องพิจารณาให้ดีก่อนเดีย๋ยวเพิ่งจบมันละเอียดระว่างความพอใจรู้สึกพอใจไม่พอใจสร้างความคิดหรือว่าคิดก่อนมันถึงเกิดความพอใจและไม่พอใจ ค, ความคิดกับความรู้สึกนี่เป็นอย่างเดียวกันหรือคนละอย่าง <c oughs> คนละอย่างใช่ไหมเอาละ่ะจําขันห้าได้ไหมมีอะไรบ้าง <c oughs> รูปเวทนาสัญญาสังขารมิจารใช่ไหมความรู้สึกหนักเบาเนี่ยเป็นอะไรเป็นนามเป็นเวนเป็นเวทนาใช่ไม้ไมเป็นเวทนาเป็นนามอะเป็นเวทนาในเวทนาที่เองไปสร้างอะไรสร้างสติไ อ, อสร้างสัญญาสังขารมิญารจนอีสามตัวตามมานีย ถ้าไม่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเวทนานี่สําคัญถ้าสติมาทันที่เวทนาะสามตัวนี้มันจะเป็นไม่ใช่สัญญาสังขารวิญญาณนะสามตัวนี้จะเป็นอะไรสติสมธิปัญญาอาศัยเข้าไปสัญญาก็เป็นสัญญาของสติสมธิก็เป็นอา่า สัญญาของสมาธิเป็นสัญญาของสติเป็นสัญญาของสมาธิเป็นสัญญาของปัญญาแต่สังขารก็เหมือนกันสังขารก็เป็นสังขารของสติสังขารของสมาธิสังขารของปัญญามันจะไม่สร้างทุกข์วิญญาณก็เป็นญญาณของสติเป็นญญาณของสมาธิเป็นวิญาณของปัญญามันจะเขาเรียกว่าตัวรู้ตัรู้สามตัวเนี่ยเวทนาเป็นตัวกลางเป็นได้ทั้งรูปทั้งนามแต่ สัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแล้วแต่มันจะรับใช้อะไรถ้ารับใช้ความรู้สึกที่ถูกมันก็เป็นวิชาถ้ามันไปรับใช้สัญญาของความโลภสัญญาของความโกรธและสัญญาของความหลงไม่ใช่ ส, สมาธิของความโลภสมติของโง่โกรธสมาธิของความหลงแล้วก็ตัวทั้งสามเนี่ยแล้วแต่มันจะไปรับใช้อะไรแต่ถ้าไปรับใช้ โลกกูหลงเรียกว่าอาวิชชาถ้าไปเราใช้ตัวสีนสมมติยาหรืสถิตสมมตยาก็เรียกว่าวิชาเราเรียกว่าตัวรู้ถูกและรู้ผิดง่ายๆแล้วนั้นเวลามายกมือสร้างเกี่ยวไว้เรามาสร้างตัวรู้เท่านั้นเลยรู้ด้วยอะไร <Okay. S 1> สำภาชานุคือรู้ด้วยความรู้สึกตัวทุกข์ร้อมเรียกว่าสำภาชญะและรู้ ลึกว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เป็นสติอาตาปีสัมปช ANO สติรู้ด้สองอย่างคือรู้ด้วยความรู้สึกตัวควบควอมหรือรว่าสติสม ญ, ญ, ญาญารู้ด้วยสองอย่างนี้มันจะกลายมาเป็นวิชาแล้วมันก็จะไปตัดความพอใจไม่พอใจได้พอแล้วปกปั๊บเนี่ยพอใจเกิดขึ้นหมายความว่ามันไม่ได้รู้ด้วยสติสมัม ญ, ญาแล้วมันรู้ด้วยความคิดเพราะฉะนั้น ตอนนี้สรุปได้อย่างว่าความพอใจมันจะสร้างความคิดหรือความคิดสร้างความพอใจหรือไม่พอใจงงไหมเองงงไหมไม่น่าจะงงนะชัดเจนนี่สุะถามอีกครั้งหนึ่งนี่อธิบายไปไม่คิดว่าอันนั้นเป็นไหนนะความรู้สึกหรือความคิดเพราะความคิดนั่นเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นลูกของความคิดใช่ไหม แต่ความรู้สึกเนี่ยมันยังไม่เป็นรู ป, ปเป็นร่างมันคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นตัวรู้สึกเกิดก่อนคือเวทนาไงถึงสัญญาสังขารถึงไปสร้างความคิดเพราะสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่หลังเวทนาใช่ไหมเวทนาต้องเกิดก่อนเมื่อเวทนาแล้วถ้าหากว่าความรู้ที่เป็นสติปัญญาเข้ามาไอ้สัญญาสังขารวิญญาณ ก, ก็กลายเป็นความคิดที่ในถูกคือความคิดในฝ่ายวิชา แต่ถ้าว่าเวทนาคือความรู้สึกที่กระทบเนี่ยถ้าหากว่ามีความรู้ผิดเข้อวิชาเข้ามาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะกลายเป็นโรคปวดหลงก็คิดในเรื่องโรคปวดหลงคิดเรื่องชอบแล้วไม่ชอบแล้วทีนี้เบตู ด, ด, ด, ดหมอเข้าใจนะทันนะทันนะเราจะเห็นว่าถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาเราไปทํามันมีผลต่อการกระทํามีผลอย่าคือทําแบบไม่ดังเล่ เพราะที่เรามาสร้างไม่ใช่ไปสร้างอะไรสร้างสติสมัมยะแต่สติสัมยมันเป็นนามหรือเป็นลูก<ม>เป็นนามใช่ไหมนามเนี่ยมันถ้าไม่มีไม่มีที่อาศัยเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมว่ามันมีนามอยู่มันมีที่เกาะเกี่ยวไม่มีที่เกิดไม่รู้เพราะนั้นเราอาศัยตัวลูกคือการยกมือเนี่ยเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดอาศัยลมหายใจเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิด อาศัยการเคลื่อนกันกไหวไปที่ตั้งที่เกิดเพราะฉะนั้นจึ ง, งอาศัยรูปเราก็ทำอยู่ที่รูปแต่น้ำมันก็เกิดแต่ถ้ารูปนี้ไม่มีน้ำเนี่ยมันจะเกิดไหมเกิดความรู้สึกเป็นสติสัมยาเสมอไหมีอย่างรูปที่เย่างนี้ในรูปนี้มันไม่มีไม่มีตัวรู้ไม่มีสติสัมยะก็รูปเหมือนกันแต่รูปอันนี้มันมีนามอยู่พอเรายกไปนามก็เกิดโดยอาศัยรูป แต่ว่าอันนี้คือลูกเหมือนกันแต่ไม่มีนามนะมันมีนา ม, นมนอันนี้ลูกถ้าหากว่าเป็นรู้สึกล้วนเรือ ว, ว่าสติสัมปชัญญะแต่ถ้าเป็นความรู้สึกที่ปนปอมด้วยความรู้สึกชอบไม่ชอบไม่เรียกสติสัมปชนะัญญะแเรียกอะไรเรื่วความพอใจแหละามไม่พอใจสองเหมือนกันสังเกตนะ อาตาปีสัมปชัญญสติมาวิเนยะโลกเก อ, อภิชาและทวงและสังตัวแรกคือสัมพชญาคสติใช่ไหมตัวหลังคือความพอใจไม่พอใจความพอใจไม่พอใจเป็นวิชาหรือเป็นอวิชาชเป็นอวิชาสติเน่เป็นวิชาหรือเป็นอวิชาชเป็นวิชาแต่มีตัวแปรคืออาตาปีความเพีย อาตาปีความเพียรที่แยรู้ถ้าเราไม่เพียรไม่เพียรยกเนี่ยเราจะไปรู้สองอย่างนี้นะไม่รู้ดีตัวมันมิคําสอนพระุทธเจ้ามันมันลงตัวมันล็อกกันหมดถ้าใครจะไปแปลอะไรใดถ้าหากว่ามันถูกต้องแล้วมันจะลงตัวอย่างที่ท่านตรัสแต่คนส่วนใหญ่ไปแปลไปตีความหมายไม่ถูกต้องมันก็ผิดเพี้ยนไปคนละที่ได้ามารมอันนี้คือที่เรียกว่าสว่าคาตาธรรมทำที่พระุทธเจ้าตรัสถูกทุ่นดีแล้วเนี่ยโดยเฉพาะทางใต้ของเราเวลาเราแปลเนะี่ย ถูกทวนดีแล้วเขาจะใช้คํานี้นะถ้าอื่นไม่ได้พูดนะ่ะเขามามาอยู่ทางใต้หลายหลายครั้งหลายหเวลาเขาแปเวลาเขาถวายนั่นถวายนี้กัจจรูถูกทุนดีแล้วดัง น, นั้นที่พยายามทําความเข้าใจเพื่อเวลาเราไปนั่งทาเราจะไปของสแดดสดงสติชำยคือรู้สึกตัวทั้งนั้นเวลาความคิดอย่างใดเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว แสดงว่าอะไรเกิดขึ้น ค, ความคิดที่ว่ามันก็คือมีสาระดับใช่ไหมความคิดที่จะนําตัวอวิชามาเป็นความคิดที่ไปปลุงขึ้นมาจากสองอย่างหนึ่งมันปรุงจากที่มันผ่านไปผ่านมาจากมาปลุงถึงจะเป็นความคิดที่เป็นสมุทัยของทุกได้สอง เราใช้ความคิดนั้นแล้วแต่ไมไ่ทันวางความคิด น, นั้นมันปรุงต่อที่ยวมาหยิบมันนั่นก็คืใช้เสร็จวางเสร็จแล้วอ่ะแต่มันไม่จบอ่ะมันคิดต่อนี่ก็คือแต่ถ้าสมมุติเราใช้ความคิดอันนั้นในทางที่ด้วยสติชั้นยะความคิดนั้นกลายเป็นตัวสติปัญญาแต่ถ้าเราใช้แล้ววางไม่เป็นความคิดนั้นก็เป็น อภิชาติถูกมนันคือความพอใจทั้งไม่พอใจเปลี่ยนทันทีเพราะนั้นตัวแปรมันก็คือมีสติหรือขาดสติเท่านั้นเองถ้ามีสติมันก็จะกลายเป็นสมัมผัสและปัญญาถ้าขาดสติมันก็จะเป็นอภิชาติถโกมนัดเราจึงมาสร้างตัวสติเพราะในนงวดทําทั้งหมดโพธิปัจเจ้าทำสามขีดโดยการเป็นไปทําทให้เกิดการบรรลุธรรมหรือเห็นธรรมเนี่ยท่านจึงเอาสติมาตั้งเป็นฐานสติประฐานใช่ไหม แต่เขาหมดสามยี่สิบประการทำไมไม่เอาตัวอื่นเป็นฐานไม่เอาปัญญาเป็นฐานไม่เอาสมาธิเป็นฐานไม่เอาเปรคาเป็นฐานไม่เอาโทษชงเป็นฐานล่ะทำไมเอาสติเป็นฐานเพราะมันเป็นตัวแรกที่จะเป็นใหญ่ทันใช้คว่าอธิปไตยทำทางปวงมีเป็นสตตาสตาที่ปไตยคือมีสถิเป็นใหญ่เป็นระบบการปกครองทั้งหมดแต่ทำตัวอื่นเป็นส่วนช่วยเช่นะฉันทะ เป็นตัวสันถาเป็นตัวรากตัวมูลฐานคือมีความรักต้องทำก่อนสันาทาริศฐานเนี่ยมีศรัทธาเป็นรากเป็นฐานนะแล้วก็มีสมาธิเป็นตัวประมุขสมาธิประมุขขาเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำแล้วก็มี ปัญญาสาระปัญญาเป็นแก่นเป็สารวิมุตติเป็นอมะตะโคตาเป็นตัวเป้าหมายสุดท้ายเป็นตัวอย่างลงเป็นตัวที่สุดของมันแต่ทั้งหมดทั้งสตาร์ทิวสติเป็นใหญ่ควบคุมดูแลทั้งหมดเราจึงมาสร้างแต่สติก็พอพอไปสร้างสติความรู้สึกตัวแล้วมันก็จะไปสร้างพวกนั้นเองสร้างรากสร้างฐานสร้างแก่นสร้างอะไรต่างๆของมันดังนั้นเวลานั่งทำเนี่ย คือเรื่องปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวไม่มีอะไรมากไม่ต้องไปเข้าใจเรื่องอหลักปริยัตอะไรที่เ ข, เขาเรียนกันมาตั้งแต่ประโยคหนึ่งถึงประโยคเก้าเสียเวลานะเพราะก่อนพูดธิยาอแตสรุ่ท่านรู้จักอ่านพระไตรปิฎกมั้ยมีพระไตรปิฎกเมื่อก่อนพูดธิย่อแตสรุ่ไม่มีท่านก็อาศัยตัวสภาวะอันเนี่ยแต่ทีนี้ไอ้ตัวรู้สึกตัวที่เรามานั่งทาเนี่ย เราคลางแทงใจก็เพราะว่ามันมีการตีความหมายกันเยอะแยะสติปัฏฐานร้อยสำนักก็ร้อยแบบมันก็ไม่รู้ว่ามันแบบไหนมันถูกใช่ไหมอันนี้คือข้อสับสนของเราเพราะฉะนั้นเราไปทําแบบใดแบบหนึ่งก็คิดถึงอีกแบบหนึ่งใช่หรือเปล่าพอคิดทึงทำแบบนี้กับเปรียบเทียบแบบนั้นไปทําแบบนั้นก็เปรียบเทียบกับแบบนี้มันเป็นร้อยแบบอ่ะพอมานั่งคานคือว่าเอ๊ะมันถูกไหมอะไรตรงนั้นอันนี้คือความยากของมันพุทธเจ้าในสมัยระพุทธเจ้าท่านมีสอนเรื่องนี้เรื่อง กลุ่มเดียวใช่ไหมสํานักอื่นก็ไปสอนนักอื่นไม่ได้สอนสติแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยสอนสติเหมือนกันหมดเหมือนกันแต่คนละสํานักมันก็คนละแบบคนละอย่างคนละความหมายสติประธานแบบพูดโทรก็อีกแบบหนึง่งสติประธานแบบหนาก็อีกแบบหนึง่งสติประธานแบบทํากายก็อีกแบบหนึงสติประธานแบบนับลมหายใจก็อีกแบบหนึ่งแต่สติแบบเคลื่อนไหวก็อีกแบบหนึง่งทีนี้เราก็ลังเลย่ามันอันไหนมันใช่หรือไม่ใช่เราจะอะไรตัดสิน ว่าถูกรู้ไม่ถูกให้มาส่งข้อลงคําสอนหลักสติปัฏฐานว่าลงตัวไหมถ้าลงตัวโอเคนั่นมันถูกรู้ได้ไงว่าลงตัวเอาไปทําต้องพิสูดน์นะที่มาทําให้พิสูจน์ว่าออกรรมหนักกรรบอเนี่ยเป็นความรู้สึกเป็นความคิดหรือความรู้สึกเพราะไม่ต้องคิดใช่หมเดี๋ยวเอา้าามาบอกโยมกับมือกับเบียดมือ อันไหนเป็นรู้สึกอย่างไรผมคิดว่าเหยียดมือเนี่ยสบายกำมือเนี่ยไม่สบายเป็นความคิดไดใช่ไหมแต่ไม่ได้ทำแต่ความจริงแล้วเวลาไปกาไปหยีดจริงมันจะหนักมันจะเบาอย่างที่เราคิดไปก่อนมาบางทีอาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะนั้นพิสูจน์กับของจริงที่มีอยู่กับคำสอนพระพุทธเจ้าที่นั่นตัดเอาไวเอามาเขาเลยเอามาแมตกันภาษาเลีว่า เอามาสมการกันใช่ไหเอามาแมทแมันเห็นว่าข้างนี้ยัเป็นอย่างนี้นะข้างนี้มันแมทกันลงตัวท่านใช้คําว่าสัมมาสมะตัวเนี่ยสมการเอามาใช้คําว่าสัมมาแปลว่าอะไรก็ว่าถูกต้องใช่ไหมสัมมาทิฏฐิสมาทิทีนี้พอโยมทําอย่างนี้ปั๊บเนี่ย ก็ไม่ได้หมายความความรู้มันจะเกิดแต่ตรงนี้เท่านั้นนะที่เรามายกเท่านั้นขณะนั่งในยงสามารถเกิดความรู้สึกตัวได้ไหมแต่ขณะนี้รู้สึกยังไงนั่งมานานในรู้สึกยังเมื่อยและหนักใช่ไหมเมื่อยและหนักเมื่อยและหนักทีนี้ความเมื่อยความหนักเนี่ยเป็นความรู้สึกคิดเอาถึงจะรู้แล้วรู้สึกเอาเลยรู้สึกขึ้นมาสัมผัสได้เลยใช่ไหมพอโยมขยับปั๊บความรู้สึกหนักนยังอยู่ไหม ไม่อยู่แล้วใช่ไหมเห็นไหมมันเกิดแล้วมันดับทันทีเกิดแล้วเพียงแต่เราเปลี่ยนไปด้วยกฎของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอันที่จังทุกขังนัตตาอพอนั่งเข้าไปใหม่พอนั่งเข้าไปใหม่ห ม, มันก็ก็หนักใหม่เท่านั้นเองดัง น, นั้นทุกอย่างเกิดขึ้นในขณะที่มันเกิดผัสสะเท่านั้นพอจบภัสสะมันก็จบแต่ว่าสิ่งที่ไม่จบก็คือเราคิดนี่แหละมันค้างถ้าเรารู้ รู้หนักพอเปลี่ยนไปความหนักก็หายรู้ก็จบรู้เบาความเบาหายไปรู้ก็จบแต่ความหนักความเบามันจะไม่จบเมื่อเราไปคิดต่อคิดต่อว่าไงเราสบายเราไม่สบายเราเบื่อเราเสี่ยงเราเหงาเราชอบเราไม่ชอบเป็นเรื่องเลยใช่ไหมนั่นเขาเรียกอุปาทานตรงที่เราคิดต่อนั่นแหลนะนะดังนั้นเวลาเรามานั่งทำเนี่ยจึงให้รู้เท่าไหร่ก็ รู้สึกเทไหรก็ให้ให้รู้เท่านั้นไม่ต้องไปคิดต่ออะไรเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่มันถูกหรือมันผิดมันจะเป็นอะไรต่อไปไม่ต้องไปคิดต่อแต่ถ้าทําไปทํามามันไม่ได้คิดที่มันง่วงง่วงนีง่เป็นรู้สึกหนักหรือเบายงยงข้างหลังไะยงผู้หญิงข้างหลังง่วงไปแล้วนะยังไม่ทันเลยขนาดง่วงเนี่หนักรู้สึกหนักหรือเบาสังเกตไหม ไม่ได้สังเกตตัวนี้ก็เลียกขาดสติแต่ถ้ามีสิ่งอ๋อหนักนี่มันตอนแรกมันหายใจมันย่ายสั้นก่อนใช่ไหมตกไปมันจะรู้สึกหนังตามันจะหนักใช่ไหมเราก็มาคิดเอ๊ะทาไมความง่วงมันมีสาเหตุไหมมีใช่ไหมโอ้มานอนเมื่อคืนมานอนที่ใหม่นอนไม่สบายลำเ ล, ำล า, ลาตื่นแต่เช้ามามานเลยง่วงนะมันก็จะมีสาเหตุใช่ไหมทีนี้วัน ต, ต่อไปต้องหาเรื่องนอนให้ดีๆให้มันรับสนิทอันนี้มันก็มีเหตุ ตัวเหตุนี้การเข้าไปรู้เหตุแล้วแก้เรียกว่าเป็นสติปัญญาพอแก้จบก็จบแต่ถ้าเราไม่รู้เหตุของมันเราไม่แก้วันต่อไปก็ง่วงต่ออีกพอง่วงต่อแล้วก็หงุดห ง, งิดต่ออีกเพราะเราขาดปัญญาเพราะขาดปัญญาก็ไม่สามารถจะแก้ไ ข, ข, ข, ขต้นเหตุได้ถูกใช่ไหมเมื่อแก้ไ ข, ขต้นเหตุไม่ถูกก็ผลมัน ย, ยังปรากฏเหมือนเดิมเอ๊ะมันง่วงได้ง่วงดีแต่สามวันนี้จะง่วงมาเพราะอะไรเพราะว่าเราทั้งหลายนี่เคยทําสมาธิมาก่อน เมื่อมาเจริญสติเนี่ยมันจะค้นเอาตัวที่เราเคยทําก่อนขึ้นมาคนค้นขึ้นมาหมดเหมือนค้นน้ําให้คุณนอ่ะขนน้ําให้คุนมันก็จะมีทั้งง่วงทั้งเงาทั้งเบือ่อทั้งขี้เกียจทั้งฟุ้งซ่านขึ้นมาหมดเลยเราต้องการให้มันขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อจะมากรองมันออกอ่ะเพื่อจะมากรองเนี่ยมันก็โยมล้างตุ่มน้ําที่มันขุนก็เพิ่มตกตะกอนนอนก้นอยู่นานแล้ว นั้นเวลาล้างนล้วมันจะเป็นขุ่นคลักเลยใช่ไหมเพราะคุ้นแล้วเราก็ปัอมทิ้งไปเลยแล้วก็หรือทิ้งไปทั้งหมดตอนสิ่งที่เกิดเป็นใหม่เพื่ออสติสัมยาเหมือนน้าใสใสใสเข้าไปแทนเมื่อก่อนมีความคิดความเป็นตัวเราตัณหาอุปทานตกตะกอนนอนคุ้นอยู่ใต้ใต้ตุ่มนั่นแหละเราก็มาขวนมันขึ้นมาถึง ส, สมัมมาธิแต่เป็นสมัมาทิของวิชาตัณหาอุปทานไม่ใช่สมมาทิของตัววิ ช, วชา มันก็เลยตัวสมาธินั้นเลยเป็นน้ำหนักที่มาทับจิตของเราคนไหนทํานนทความรู้สึกตัวทำ ค, ความสงบมากก็จะง่วงมากถ้าสติยะไม่เข้มแข็งพอแต่ถ้าหาว่าสติยะเข้มแข็งพอตัวสมาธิก็จะแปลงกเป็นปัญญาไปทันทีแต่ถ้าหาว่าสติสมัมยะไม่เข้มแข็งพอตัวสมาธิก็แปลงเป็นโมหะไปทันทีเหมือนกันอันนี้คือเราที่จะหมดขวดเพราะฉะนั้น ขณะที่ทํามันง่วงมันเงอมันเบื่อมันเซ็งเกิดขึ้นจะไปแปลกใจเหมือนก็เราควรให้มันคุณเพือจะเทมันทิ้งทีเดียวตัวสติธรรมยะมามาเทออกนะคอันนี้คือเบื้องต้นเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะนั้นสิ่งที่มาทําความเข้าใจเนี่ยพอพอจะมองเห็นภาพได้มั้ยมองเห็นภาพได้ไหมพเวลาเราไปทํำไม่ต้องสงสัยว่าทาไปเพื่ออะไรถ้าสงสัยขึ้นมามันมีอาจจะมี ค่อยแยกค่อยย่อยให้สงสัยป๊อปเราก็มามาถามกันเออตรงนี้มันไม่เข้าใจไมนชันหมายความว่ยังไงหลวงพ่อก็มาถามได้เลยพร่อจะมามาเนี่ยมาเพื่อให้ถามมาเป็นพี่เลี้ยงถ้าโยอมหายสงสัยแล้วยอมไปทําเองได้ไหมได้เพราะที่ไหนก็มีความรู้สึกที่ไหนก็มีการเคลื่อนไหวที่ไหนก็มีหนักมีเบาที่ไหนก็มีคิดใช่ไหมมันไม่ใช่มีตอนที่เรามาปฏิบัติมันมีตลอดแต่เราจะเอาเราไปแปลงมันให้เป็นตัว รู้หรือตัวปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีวิธีแปลงมันปั๊บในสิ่งที่เราคิดเราเคลื่อนไว้ขึ้นมันก็กลายเป็นโมหตะตลอดเป็นสัญชาตยานตลอดซึ่งเป็นเหตุให้เกิเกดทุกข์คือสมุทัยเราก็ไปเห็นว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นเราสมอไปเราชอบเราไม่ชอบโดยสุกเราทุกข์มันก็จะเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ไม่มีที่สี้จบนั้นเมื่อเรามาเจอตัวรู้ตัวนี้ก็เหมือนเจอพุท ธ, ธะเจ้าใช้ยิตะค้นพบ ตัวรู้ตัวนี้นะ่ะเราจึงเรียกว่าพุทธพุทธเป็นผู้ผู้รู้ผู้ตึงใช่ไหมผู้รู้ผู้ถือเพราะให้เกียรติท่านว่าท่านเป็นผู้พบหรือตั้งชื่อท่านใหม่จากเจ้าชาที่ถฐ์มาเป็นพุทธหรืงพุทธเจ้านะแล้วก็ท่านค้นพบอยู่ว่ายังไงค้นพบ ว, ว่าภาวะรู้มีอยู่ในคนทุกคนอยู่แล้วแต่ทําไมถึงใช้ไม่ได้เพราะมันยังปนอะไรอยู่น้ําในตุ่มเนี่ยมันทำไมถึงใช้ไม่ได้ พราะมีคุณอยู่ใช่ไหมถ้าจะให้มันใสน้ำในถุงมันใสก็ต้องล้างของเก่าออกแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปเมื่อก่อนของใหม่เป็นสติปัญญมือกันแต่เป็นสติปัญญของอวิชาสติสัสมยะที่มีอยู่จึงไม่เป็นประโยชน์ในการดับทุกข์แต่เป็นประโยชน์ในการที่สร้างทุกข์แต่ณวันนี้เราจึงมากัดกองอาตัวเอาสติสัมยาไปกัดกองความรู้สึก ให้เป็นสติปัญญาแทนที่จะออกมาเป็นความคิดมุงแต้มวิสังขารที่ออกมาเป็นกิเลสแตนหาบาธานใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้ตั้งต้นอยู่ที่ความรู้สึกเสมอความรู้สึกที่เป็นเวทนามีอยู่แล้วทุกคนเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งเค่งตึงไว้หนักเบามีอยู่แล้วทุกคนแต่เราจะเอาตัวรู้ใหม่คือตัวที่เราสร้างขึ้นไปปลองไปฝนให้เป็นเวทนากลายมาเป็นสติ น, นี่คือความหมายที่เราจะมาทํา เข้าใจนะเดี๋ยวเข้าใจมั้ยคนใหม่นะฟังหลวงพ่อรู้เรื่องนะฮะนี่หน่อยนะแลตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปทําอ่ะถ้าหนูไม่เข้าใจหนูก็ต้องเอใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่ตั้งใจใช่ไหมเอาบ้างไม่เอาว่างเสียเวลาเสียเวลามา แมาแล้วต้องเข้าใจชัดเจนแล้วทําให้มันรู้เรื่องเลยภายในเจ็ดวั น, นเราจะได้ไม่ทุกข์ไปตลอดชีวิตแต่ที่เราต้องทุกข์อีกก็เพราะว่าเราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแล้วก็ไม่อยากทําไม่อยากทําไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจต้องถามเพราะตั้งใจมาแล้วเสียเวลาที่ว่าเมื่อกี้จำได้ไหมว่าความคิดกับความรู้สึกอันไหนเกิดก่อนอะไรเป็นต้นเหตุขความคิดือความรู้สึกใช่ไหมอ่าความรู้สึกเราต้องไปตั้งต้นอยู่นั้นเสมอ เรจะไม่ถามว่าทํำไมเพราะมันเกิดมาจากไหนเราไปจัดการเราอยากให้มันเกิดหรือไม่ให้เกิดถ้าอยากให้เกิดก็ต้องใส่ตัวสติลงไปเพื่อความคิดจะได้กลายเป็นสติสัมปชัญญะแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดเราก็ต้องไปตัดเอาตัวคิดที่จะเป็นโลกปวดหลงหรือ ตัวอวิชาออกไปเพราะในตัวรู้มีสองอย่างคือตัวรู้แบบวิชากับตัวรู้แบบอวิชาใช่ไหมตัวรู้แบบอวิชาเพราะมีอะไรประกอบพอใจไม่พอใจรู้สึกพอใจไม่พอใจแต่ถ้าตัวรู้ที่เป็นวิชาประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะอ่าเราจะมาฝึกสติเมยะเพื่อจะมาเปลี่ยนตัวรู้ที่เป็นอวิชาแต่ที่แล้วมาเราคุ้นแต่รู้สึกชอบรู้ไม่ชอบใช่ไหม แต่ที่มาปฏิบัติเราจะรู้สึกที่เป็นสติเขาเรียกวรู้สึกเฉยๆรู้สึกซื่อๆภาษาอลงพ่เทียนรู้ซื่อๆเคยได้ยินเท่นี้นะรู้ซื่อๆนี่คือรู้ด้วยสติสัมปชัญญะแต่รู้เฉยๆนี่ไม่แน่อาจจะรู้แบบซื่อบื้อก็ได้รู้แบบไม่รู้รู้เหมือนกันแต่อะไรก็ไม่รู้คือรู้แบบไม่เข้าใจก็รู้ซื่อบื้อแต่รู้แบบอะไรเป็นอะไรก็รู้ซื่อๆแล้วก็เขาเรียกใช้คำหนึ่งว่าอุปเปขาภาษาของเขานี่ย คือดีตรงนี้จะอุปเขาสำโพชงถ้าอุปเฆาเวทนาคือรู้แบบซื่อบื้อถ้าอุเปเฆาสำโพชง์รู้แบบแจ่มแจ้งนั่นจะคุณประยุทธ์ท่านให้นิยามตรงนี้ดีเพรารู้แบบอุเปเฆาคือรู้แบบเฉยเมยเออรู้แบบเวทนารู้แบบเฉยเมยแต่รู้แบบอุเปเฆาเป็นรู้แบบเฉยมองน่นก็เฉยคือคือเฉยแต่มองอยู่ในอะไรเกิดขึ้น ภาษาเราก็ใช้เขว่าสแตนบายเช่นนี้ออโต้ต้องสเตนบายไว้มั้ยอะไรเกิดขึ้นปั๊บมันทํางานออโต้ Auto, น้ำนํำมะแต่น้ําได้ระดับปับ๊บมันตัดปับ๊บแต่น้ําอยู่ในระดับที่มันต้องการปับ๊บก็นิ่งไม่เฉ่เฉ ย, ยแต่พอ น, น้ํำลดเออปับป๊บมันทํางานทันทีนี่เขาเรียกว่าแบบเฉยมองอุปเเปขาก็อย่างนั้นเหมือนกันอเุเปเเปคสัมผัสช่งคือพร้อมที่จะทํางานเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อม แต่ถ้าเป็นเฉยเมยเฉยเหมาะเฉยแบบไม่ไม่มองก็คือออตโต้เหมือนกันแต่น้ำรถมันก็ไม่ทำงานน้ำขึ้นมันก็ไม่ทำงานรู้แบบชื่อเบื่อรู้แบบไม่รู้นึกภาพออกนะอันนี้นคืออันนี้นคือสติสัมปชัญญะอ่าไม่ได้สัมพันธ์กันสติสัมปชัญญะไม่เข้มแข็งพอพอทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันเพราะกำลังไม่พอ อย่าสมมุติว่ายมเงินมีเงินมีหนึ่งร้อยเนี่ยไปซื้อน้อนซีนี้มันไม่พอแต่แค่ให้มันพอทำไงต้องเพิ่มใช่ไหมเพราะฉนั้นสติสมญาทางกายเนี่ยมันยังตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนคืออันนี้จังลูกขงานาตาัดแต่เราถึงสร้างสติสมญาทางจิตขึ้นมาแต่เมื่อสติสมญาทางทางที่เป็นนาม ล, ล้วนๆเนี่ยก็หมายความว่ามันจะช่วยความจําได้มากนะแต่มันไม่ลืมอยู่อย่างหนึ่งไม่ลืมรู้จักว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจ สติสัญยาที่เป็นปรมัตถิระมโหสถเนี่ยนะคือมันไม่ลืมว่าอะไรกํำลังเกิดขึ้นกับใจมันจะดูแลใจโดยเฉพาะแต่สติสัญญาที่เป็นตัวสัญญาเนี่ยเป็นตัวขันห้าเนี่ยมันก็ดูแลกายบางครั้งแล้วแต่ความพร้อมของกายควาพร้อมพงว่าความจําของเราเป็นไงความจาที่เป็นในฝ่ายแต่ารูปของเราเนี่ยพร้อมไหมมันหมายถึงความเข้มแข็งความสมบูรณ์ของร่างกายด้วย สติมิจฉาแบบที่เป็นสัญญาเมันถึงจะทํางานร้องบางคนอายุมากแล้วชอบความพร้อมของร่างกายตกไปสติมิจฉาก็ตกไปด้วยเลือเล่อนเรือนไปด้วยแต่สติสจำแยะที่เราฝึกอย่างนี่ยไปดูใจเนี่ยไม่ให้มันเกิดปัญหาหรือเกิดความทุกข์อันนั้นไม่เลือเล่อนเรือนเลยมันจะคงที่ถ้ามันเป็นปรามัดนะแต่สติที่เป็นแบบสมมติอ่ะเขาเรียกว่าสติแห่ชาติยานเคยได้ยินตนงนี้นะความเคยชินอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมของร่างกายเรามีมาก คนไม่พร้อมนะอายุมากขนหนเป็นเอาลไซเมอร์อายุมากขึ้นหน่นี่หลงที่ลืมแต่ว่าคนที่มีความรู้สึกตัวที่เป็นปรมาถือเป็นวิชาแล้วเนี่ยถ้าความไม่พร้อมเของร่างกายเกิดขึ้นเขาก็หลงลืมได้เหมือนกันแต่เขาไม่ทุกข์กับความหลงลืมอันนั้นนี่มันต่างกับตรงนี้ทันนะคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วที่มีสติสมญายสมบูรณ์ถามว่าเขาลืมไหม ก็ลืมแต่เขาไม่ทุกข์กับความหลงหืมมานั้นแต่คนธรรมดาที่สติสัมยานี้ไม่สมบูรณ์ยังไม่เข้าใจเขาหลงลืมแต่ว่าเขาเป็นทุกข์กับความหลงหรือมันั้นนัโยมลืมกุแจกุแจรถหายโยมทุกข์หรือไม่ทุกทุกใช่ไหมไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่แต่คนมีการฝึกฝนมาจนรู้เข้าใจบาัมีแล้วเนี่ยถึงกุแจรถหายไม่ทุกแต่ก็หาเหมือนแกแต่ไม่ได้หาด้วยความทุกข์ แต่เราหาด้วยความกวนกะวะาด้วยความทุกข์ใช่ไหมนี่คือความต่างไม่ใช่มาควาำผู้ปฏิบัติทักเข้าถึงธรรมะแล้วไม่หลงดูไม่ใช่เพราะเขาร่างกายเขาก็มันเป็นสังขารเหมือนกันคนรู้ทําไม่รู้ทําก็ร่างกายเป็นสังขารเหมือนกันเป็นรูปเป็นนามเหมือนกันแต่ว่าความสมบูรณ์ทางสติสัญญะมันต่างกันถ้าคนฝึกแล้วมันจะสมบูรณ์แต่คนไม่ฝึกมันก็ต้องขาดตกบกพรองมันก็ลืมทั้งสองอย่างความทุกข์เกิดที่จิตก็ไม่รู้ความทุกข์เกิดจากในความหลงลุม ทางกายก็ไม่รู้ก็จะทุกสองเท่าแต่คนที่ปฏิบัติมาแล้วจะทุกทางเดียวคือทุกทางกายแต่จิตไม่ทุกข์ด้วยหลงดุ้เหมือนกันแต่ว่าไม่ทุกข์เพราการหลงดุแต่กทําหน้าี่หาเหมือนกันเจอก็ไม่เจอก็แล้วไปเท่านั้นเองใช่ไหมแต่เราไม่ได้มันต้องเจอถ้าไม่เจอไม่ได้นะไม่เจอไม่ได้ไปถ้าไม่เจอไม่ไปก็ได้นี่คนหมายควมว่าคนที่สติเนี่ยฝึกฝนมาแล้วเนี่ยไม่เจอก็ไม่ไปเท่านั้นไม่มีเรื่องอะไร แต่ไม่ได้เราหูเดือดล้อใหญ่เลยนะไม่ไปไม่ได้เป็นเรื่องเล ย, เลยทีนี้อันนี้คือมันต่างกันตรงนั้นเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องไปไก่เอาถึงฝึกก่อนก็ได้พอาะเดี๋ยวไม่ถึงเวลานั้นที่เราจะไปรูนะ้เอาเอาแค่ว่าให้รู้ตัวเพิ่มความรู้สึกตัวนี้ให้มันเยอะก่อนแล้วเวลาเราอธิบายอะไรไปมันจะเข้าใจได้ป๊๊อปป๊อลยเพร ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะมันมากพอแต่ถ้าสติเยะที่เราฝึกทําแต่มื่อไหรความวิสติเยะของโยมน้อยลงไปนะแต่ในแง่ของ สติสัญญาที่เป็นฉันเชิญาณมีครบพร้อมทุกคนแต่สติสัญญาที่เป็นปัญญาญา